ควรมองนักปราศผู้คอยชี้ข้อบกพร่องคอยแนะนำพร่ำสอนว่าเป็นดุจผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้ควรคบบัณดิตชนคนเช่นนั้นไว้เพราะเมื่อคบนักปราศมีแต่ดีไม่มีเสื่อมพุทธภาษิต วันนี้มีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเหน็บเหนื่อยไหมง่วงนอนไหมหรือมีความเบื่อหน่ายอะไรก็เราลองสำรวจดูที่กายทิศใจของเราโดยเฉพาะที่ร่างกายเราตอนนี้นมันเป็นชีวิตที่เป็นปัจจุบันแท้ๆเรารู้สึกอย่างไรเราได้พักผ่อนมาทั้งคืน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 เราลองตั้งสติเดี๋ยวเพิ่งคิดในตอนนี้มันคิดไม่ออกหรือมันวุ่นวายก็จะเพิ่งคิดในตอนนี้รอรอเวลาสักหน่อยเอาให้จบรายการนี้ก็คิดก็ได้เราจะพักกิจชั่วคราวคือเราลองไม่เจตนาคิดดูก่อนสร้างเงินขายไม่เจตนาคิดเพราะถือว่าเราคิดมากสติมันก็ไม่เกิดที่เ็าเรียกว่าอะไร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 เห็นในก็ั้งผู้รู้ในความคิดและก็ทั้งผู้คิดมันแยกกันล้นี่จกลับเป็นการแยกจิตออกจากอารมณ์ออกจากความคิดจิตผู้รู้เนี่ยมันจะรู้เฉยๆส่วนความคิดมันจะปรุงแต่งสารพัดเห็นไหมสอสภาวะเนี่มันต่างกันล้ความคิดก็ปรุงแต่งไป แต่จิตผู้รู้เนี่ยรู้เฉยๆแลว้วความคิดก็จะเกิดดำเกิดดำการดูตัวผู้รู้เนี่ยคือการดูจิตการเอาสติมาดูจิตหรือเอาจิตมาดูจิตก็ได้อันนี้แหะคือการดูจิตล้วนๆที่ไม่ใช่อาการของจิตคือความคิดมันอย่างกับที่ว่าเรามีสติรู้อยู่ในรู้คือมีสติดูตัวผู้รู้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 ถ้าจิตมันดับเราก็ดับไปชีวิตและอัตภาพเนี่ยคืออยู่กับจิตคิดหนึ่งครั้งแต่ถ้าเรามีสติเฝ้าดูอยู่รู้อยู่เนี่ยไม่เข้าอยู่ในความคิดเนี่ยเราก็ไม่เกิดพ้นเกิดพ้นจากความคิดก็กลายเป็นการพ้นเกิดแสดงการเจริญสติเนี่ยนอกจากดูอาการของจิตแล้วอย่างเช่นเวทนา